ทำไมพวกเราจึงมาวัดกันมาทำบุญทำทานกันมารักษาศีลกันมาหาดนั่งสมาธิกันมาฟังเทศฟังธรรมกันก็เหมือนกับทำไมเราจึงซื้อประกันกันซื้อประกันชนิดต่างๆ ประกันรถยนต์ประกันบ้านประกันชีว <Triple as an art> ิตก <Fill. S 1> <ๆ>็เพราะว่าเราต้องการความคุ้มครองเวลาที่เกิดอุบัติภัยต่างๆเราจะได้ได้รับการคุ้มครองชดใช้ความเสียหายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ การมาวัดก็เหมือนกันการนำบุญทำทานการนักษาศีลการนั่งสมาธิการฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาก็เป็นการซื้อประกันให้กับจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราก็มีภัยต่างๆ เข้ามาคุกคามถ้าเรามีประกันภัยมีประกันชีวิตเราก็จะปลอดภัยพระพุทธศาสนารับประกันเรื่องภัยของจิตใจและรับประกันเรื่องความตายของจิตใจที่ จะทำให้ผู้ที่ซื้อประกันของพุทธศาสนาแค็งแกราดปลอดภัยจากภัยของจิตใจและจากการสูญเสียชีวิตของร่างกายที่จิตใจมาครอบครองมีสองประกันด้วยกันประกันภัยกับประกันชีวิต ภัยของจิตใจคืออะไรภัยของจิตใจก็คือการไปเกิดในอบายนั่นเองอบายนี้เป็นที่ไม่น่าไปเกิดกันเพราะเป็นที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขอบายก็มีอยู่สี่ที่ด้วยกันคือหนึ่งการไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน การเป็นเปรตเป็นอสูรกายหรือเป็นผีและไปตกนรกนี่เป็นภัยของจิตใจที่ไม่ได้ซื้อประกันไว้ก็จะต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าซื้อประกันได้เวลาร่างกายตายไป ใจจะไม่ต้องไปเกิดในอบายส่วนประกันชีวิตนี่ก็เหมือนกันถ้าซื้อประกันชีวิตแล้วใจจะไม่กลับมาเกิดเด็กต่อไปจะไม่มีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายก็จะไม่มีความตายของร่างกายตามมาถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ ก็ยังจะต้องมีการแก่การเจ็บการตายของร่างกายตามมาเสมอถ้าไม่ซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาจิตใจทุกดวงเวลาที่ร่างกายตายไปหลังจากที่ไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่เสมอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาได้ร่างกายใหม่ แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อยู่เรื่อยๆไปแต่ถ้าสามารถซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาได้จิตใจจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือประกันภัยกับประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรับประกัน โดยพระ อ, องค์เองว่าผู้ใดซื้อประกันของพระพุทธศาสนาแล้วจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่นอนทั้งสองรูปแบบทั้งประกันภัยทั้งประกันชีวิตประกันภัยก็คือจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปประกันชีวิตก็คือจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป น, นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฝึกนั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา น, นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับ เราจะได้มีประกันภัยและประกันชีวิตคุ้มครองจิตใจของพวกเราการซื้อประกันภัยก็คือการรักษาศีลห้านี่เองการไม่ทำบาปคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีการไม่พูดปดการไม่ดื่มสุรายาเมา และอบายามุขต่างๆเช่นเล่นการพนันเที่ยวเตร่ครบคนชอบอบายามุขเป็นมิตรและความเกียดคร้านอบายามุขนี้เป็นเหตุที่จะพาให้เราไปทำบาปกันเป็นเหมือนกับไม่ขีดที่จะจุดไฟให้เกิด ไฟลุกขึ้นมาเผาบ้านเผาช่องเผาบ้านเผาเมืองได้ต้องมีไม่ขีดก่อนถึงจะทำให้เกิดไฟลุกขึ้นมาได้ทันใดการทำบาปเช่นการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดนี่เกิดจากการไปเสพอบายามุขก่อน เช่นเดิมสุราพอเดิมสุราแล้วก็จะไม่มีสติควบคุมใจเวลาใจคิดจะทําอะไรไม่ดีคิดจะทํำบาปก็จะไม่มีสติมายับยัง้งแต่ถ้าไม่เด่มสุราคนเรามักจะไม่ทํำบาปกันเพราะเวลามีสติเราจะรู้สึกตัวรู้ว่าเรากําลัง คิดจะไปทำอะไรที่ไม่ดีเราก็ยับยั้งหยุดมันได้ น, นี่คือความแตกต่างระหว่างของการดื่มสราและการไม่ดื่มสรดาส่วนการเล่นการพนันนี้ก็จะทำให้เราไม่ช้าก็เร็วต้องไปทำบาปเพราะเมื่อเล่นการพนันแล้วก็จะติด เวลาได้ก็อยากจะได้อยากจะได้มากก็จะเล่นต่อพอเวลาเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่อเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็หมดตัวหมดเนื้อหมดตัวก็ว่าภัยที่เกิดจากการเล่นการพนันนี่ร้ายกาจกว่าการภัยที่เกิดจากการขโมยขึ้นบ้าน เวลาขโมยขึ้นบ้านนี้มันเอาเพียงแต่เข้าของไปเท่านั้นเข้าของเงินทองแต่บ้านกับที่ดินมันยังไม่เอาไปไฟไหม้บ้านก็ไม่เข้าของกับไหม้บ้านแต่ก็ไม่ไม่ได้ไหม้ที่ดินแต่ถ้าเป็นภัยที่เกิดจากการเล่นการพนันเวลาเสียก็จะต้องขาย ซับสมบัติเข้าของเงินทองขายบ้านขายที่ไปหมดเพื่อที่จะได้เอาเงินมาเล่นต่ออนนี่คือภัยที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราขายสมบัติหมดแล้วทีนี้เราก็ต้องเรายัางอยากเล่นต่ออยู่เราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปโกหกหกลอกลวงเราก็ไม่ได้ใช้คืนเขาเหมือนไปหลอกลวงไปลักทรัップ แล้วถ้าไปยืกู้หนี้ยืมสินไม่ได้ก็อาจจะต้องไปลักขโมยต่อเมื่อมีการลักขโมยบางครั้งก็อาจจะมีการต่อสู้กันก็อาจจะต้องฆ่ากันนี่คืออบายมุกเป็นการกระทาที่ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษคือไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย อบายามุกทุกชนิดไม่มีไม่มีการส่งเสริมให้เกิดรายได้มีแต่การส่งเสริมให้เกิดรายจ่ายเดิมสุราก็จะเสียเงินเสียทองเสียเวลาทำมาหากินแล้วก็อาจจะตกงานตกการถ้าเดิมจนติดเป็นไม่สามารถเลิกได้เวลาจะไปทำงานก็อาจจะไปทำไม่ไหว เพราะมึนเมายังมึนเมาอ ย, าอาอยู่แล้วถ้าดื่มมากๆก็จะทำให้เสียสุขภาพร่างกายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้พอเงินทองไม่พอใช้ก็จะถูกบังคับให้ไปหาโดยวิธีก็ททำบาปเล่นการพนันก็เหมือนกัน การเที่ยวเตะก็เหมือนกันการเที่ยวเตะก็ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายการเกลียดค้านก็เหมือนกันความเกลียดค้านก็ไม่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดมีรายได้ขึ้นมาเพราะจะไม่ไปทำงานทำการไปหาเงินหาทองไปเที่ยวไปเตะไปเล่นการพนันดีกว่าสำหรับคนที่มีความเกลียดค้าน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 ติดอบายามุกเหมือนเขาแล้วต่อไปเราก็อาจจะต้องไปทําบาปทําไมเราจึงต้องละเว้นอบายามุกเพื่อที่เราจะได้ป้องกันชนวนตัวที่จะมาทําให้เราไปทําบาปกันคําว่าอบายามุกนี้แปลว่าประตูสู่อบายมุกแปลว่าประตูหรือทางเข้า อบายก็คือที่ไปเกิดที่ไม่ดีสีที่ไปเป็นเดลฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนสูลกายไปนรกผู้ใดที่เสพอบายยมุกแล้วก็จะถลําเข้าสู่อบายไปเพราะใครยืนอยู่หน้าประตูอบายเดี๋ยวก็ถูกดูดเข้าไปจนได้จึงควรอยู่ห่างไกลจากประตูเข้าอบาย อยู่ห่างไกลจากอบายามุกกันแล้วเราจะได้ไม่ต้องทำบาปกันนี่คือสาเหตุทำไมคนเราจึงต้องทำบาปกันเมื่อทำบาปแล้วจึงทำไมจึงต้องไปเกิดในอบายกันการที่มีอบายอยู่สี่ที่ก็เพราะว่าเหตุที่ทำบาปนั้นมีอยู่สี่ลักษณะด้วยกัน ถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาป mm. ก็จะไปเกิดเป็นเดลฉาน mm. เดราฉานนี้เขาไม่รู้ว่าเขาทำบาปกันเขาไม่รู้ว่าเขามาเป็นเดรลฉานได้เพราะเกิดจากการทำบาปของเขาเขาทำบาปเพราะเขาคิดว่าเป็นเรื่องปกติของการดำรงชีพ mm. เขาต้องมีการ รับประธานมีการกินเขาก็ต้องกินจัดเล็กจัดน้อยกว่าเขาเพื่อดำรงชีพมนุษย์ที่ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คิดแบบเดียวกันเขาก็คิดว่ามันเป็นอาชีพเป็นการเลี้ยงชีพของเขาเช่นพวกชาวประมงเขาก็ไปจับปลาแล้วก็เอาปลามาขายมาค่า เนื้อพวกที่เลี้ยงสัตว์เพื่อ น, นําเอาไปฆ่าก็เหมือนกันเขาคิดว่าเป็นอาชีพและไม่ผิดกฎหมายเรื่องการเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์นี้เราไม่ถือว่าผิดกฎหมายกันเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุที่พาให้เราไปเกิดเป็นเดรัจฉานกันนั่นเองถ้าเรารู้เนี่ยถ้าเราเป็นพุทธจริงๆเนี่ยเมืองพุทธนี้จะไม่มีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แต่เนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวพุทธยังไม่รู้ความจริงของกฎแห่งกรรมยังไม่รู้ว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้เพื่อเป็นการเลี้ยงชีพก็เป็นบาปมีผลตามมานี่แต่บางทีก็อาจจะเป็นเพราะความจำเป็นของการดำรงชีพของมนุษย์บางครั้งก็ต้องมีการฆ่าฟันกัน เพื่อปกป้องรักษาชีวิตปกป้องรักษาผลประโยชน์เช่นเราต้องมีทาหารมีตำรวจไว้ป้องกันชาติเวลามีสงคารามทหารก็ต้องทำบาปกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาวะจำยอมเกิดมาอยู่ในโลกของภัยต่างๆถ้าจะเอาตัวให้อยู่รอด ก็ต้องมีการปกป้องรักษามีการค่าฟันกันแต่สาหรับผู้ที่เชื่อกฎแห่งกรรมเขาก็ยินดีที่จะยอมเสียชีวิตดีกว่าไปทำบาปเพราะเขาชั่งน้าหนักระหว่างการรักษาชีวิตไว้ด้วยการทำบาปกับการเสียชีวิตโดยไม่ทำบาปนีผลที่กระทบกับจิตใจของเขามีความต่างกัน คนที่ยอมเสียชีวิตโดยไม่ทำบาปนี่เพราะเขาถือว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายอยู่ดีต้องตายด้วยกันทุกคนถ้ า, ถ, าถ้าไปทำบาปตายไปไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอันใดก็ตามก็ต้องไปรับผลบาปมีอยู่สี่ที่ถ้าทำบาปด้วยความจำเป็นด้วยความจำใจ ต้องรักษาชีวิตของตนเองอันนี้ก็ต้องไปเป็นเดลฉานถ้าเขาเชื่อเขารู้ความจริงอันนี้เขาก็ยอมตายดีกว่ายอมตายดีกว่าไปทำบาปเราอย่างไรก็ต้องตายอยู่ดีตายแบบไม่ทำบาปกับตายแบบทำบาปมีผลต่างกันตามมาถ้าตายแบบทำบาปก็ต้องไปต้องไป เป็นเดชานถ้าถ้าตายโดยไม่ทำบาปยอมตายไม่ทำบาปดีกว่าตายไปไม่ต้องไปเกิดในอบายจะสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายแล้วถ้าได้ทำบุญด้วยก็จะไปรับผลเป็นเทวดาก่อน ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆก่อนจนกว่าบุญที่ได้ทำไว้ได้หมดลงแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือเรื่องของการทำบาปมีผลสี่ลักษณะด้วยกันทำบาปด้วยความไม่รู้ก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ อยากได้เงินทองมากๆอยากได้อะไรมากๆถ้าไม่ทำบาปจะไม่ได้เช่ mm hmm. นไม่โกงไม่คอร์รัปชันไม่โกหกหลอกลวงจะไม่ได้เงินมากจะไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ยอมทำบาปยอมโกหกหลอกลวงยอมทำคอร์รัปชันหรือบางครั้งอาจจะมีการข้าฟันกันอันนี้ ท่านบอกว่าถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตเปรตนี่เป็นพวกที่มีแต่เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความโลภมีแต่ความหิวโหวยตลอดเวลาได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเนื่องจากความโลภมันไม่หมดยิ่งได้ยิ่งโลภยิ่งได้ยิ่งอยากได้มากได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมื่น คนเราจะมีเงินมากจนใช้ไม่ได้ตายไปกลับมาเกิดร้อยชาติเงินที่มีอยู่ก็ใช้ไม่หมดแต่ก็ยังอยากได้แต่ถ้าโลภด้วยการไม่ทําบาปนี้ยังไม่ยังไม่ต้องไปอบายแต่ถ้าโลภแล้วทําบาปด้วยความโลภท่านก็บอกว่าต้องไปเป็นเปรตดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหวย ได้เท่าไหร่กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพวกนี้แหละเป็นพวกที่มาขอส่วนบุญจากพวกเราเวลาที่เราทำบุญแล้วเราอุทิศบุญนี่มีดวงวิญญาณพวกนี้เท่านั้นที่มารอรับบุญเพราะเขาหิวโหยขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาจะไม่ชอบทาบุญพวกเปลทพวกที่โลภอยากร่าอยากรวยมากๆเเสียดายเงินไง ถ้าทำบุญมันก็ไม่รวยถ้าเอาเงินมาทำบุญมันก็จะไม่รวยอยากจะเก็บเงินเอาไว้ให้ตนเองมีเงินมากๆให้ร่าให้รวยแล้วก็ใช้เงินไปก็ซื้อใช้เงินไปเพื่อซื้อความสุขซื้อประโยชน์ให้กับตนอาจจะไม่ยอมเสียเงินเพื่อประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นก็จะไม่ได้ทำบุญไม่ชอบทำบุญ าทำก็อาจจะทำแบบเสียมิได้หรือทำแบบพอหอมปากหอมคออาจจะมีความเชื่ออยู่บ้างก็อาจจะทำปีละครั้งสองครั้งวันเกิดวันปีใหม่หรือวันตายเวลามีงานศพทีก็ทาบุญกันทีถ้าไม่มีเหตุให้ทำบุญก็จะไม่ทำบุญ น, น, นี่ลักษณะของคนที่มีความโลภอยากได้เงินได้ทองมากๆอยากร่ำอยากรวย จะไม่ค่อยทำบุญเหมือนกับคนที่มีศรัทธาความเชื่อในเรื่องของการทำบุญจะยากจนเพียงใดก็ยังทำทำแล้วดูรู้สึกจะมากกว่าคนที่มีเงนินมีทองเสียได้ซ้ำไป อ, อันนี้คือการทำบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยพวกที่ทำบาปด้วยความกลัว กลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้ก็ไปทำลายสิ่งไปทาลายสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เขามาทำลายเราทำบาปด้วยการทำด้วยการด้วยความกลัวก็จะทำให้เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาก็เรียกดวงวิญญาณพวกนี้ว่าอาสูรลกายหรือผีส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความเกลียดความชัง ด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมพวกนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความรุ่มร้อนเผาผลาญจิตใจเรียกเรียกดวงวิญญาณแบบนี้ว่านรกนรกคือไฟความร้อนที่เผาผลาญจิตใจไฟแห่งการความอาฆาตพยาบาทไฟแห่งความกอดเกลียดเคียดแค้นไฟแห่งความชัง่งต่างๆอันนี้จะทาให ดวงวิญญาณนี้มีแต่ความรุ่มร้อนก็จะอยู่ในสภาพนี้ไปจนกว่าบาปที่ทำไว้หมดลงบาปก็เป็นเหมือนเชื้อเพลิงเหมือนกับน้ํามันที่เราเติมใส่รถนั่นเองเมื่อเราเติมใส่รถแล้วถ้าเราขับรถไปไหนมาไหนเดี๋ยวน้ํามันก็หมดจะหมดช้าหมดเร็วก็อยู่ที่เราเติมมากเติมน้อยถ้าเติมมากก็จะหมดช้า ถ้าเติมเร็วเติมน้อยก็จะหมดเร็วบาปก็เหมือนกันถ้าทำบาปน้อยก็ไปใช้กรรมน้อยถ้าทำบาปมากก็ต้องไปใช้กรรมมากก็จะไปอยู่ในอบายนานหรือไม่นานก็อยู่ที่บาปที่เราทำว่าทำมากทำน้อยแต่ยังไงก็ต้องออกมาจากอบายหลังจากที่พ้นจากอบายก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ แต่การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีอาภัพวาสนาด้อยอาด้อยอาภัพดังด้านวาสนาทำไมคนเราจึงมีแตกต่างกันมีพวกที่มีวาสนาบารมีมีพวกที่อาภัพวาสนาบาลมีเกิดมาแล้วร่างกายหน้าตาไม่สวยงามรูปร่างไม่สวยงาม ผิวพรร์ไม่ผ่องใสอาการไม่ครบสามสิบสองอายุไม่ยืนยาวนานมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีฐานะการเงินการทองที่ไม่ดียากจนมีความรู้ความฉลาดน้อยมีความโง่เขลาเบาปัญญาอันนี้ก็เกิดจากการไปทำบาปแล้วไปใช้ ไปรับผลบาปในอบายนั้นเองเวลามาเกิดเป็นมนุษย์จึงเป็นมนุษย์ที่ได้อาัพวาสนาได้ ว, วาสนาอาภพวาสนาส่วนพวกที่กลับมาเกิดมาลงมาจากสวรรค์พวกที่รักษาศีลได้แล้วพวกที่ทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆพวกนี้ดวงวิญญาณเวลาตายไปจะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความนุ่มเย็นเป็นสุข เหมือนกับการที่เราได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศนี่เรายิ้มแ ย, ย้มจับใสกันเพราะไม่ต้องทำงานมีแต่ใช้เงินอย่างเดียวอยากจะดูอะไรก็ได้ดูอยากจะฟังอะไรก็ได้ฟังไปเที่ยวต่างประเทศก็ไปดูเขาเต้นระบำไปดูละครไปดูการสแสดงอะไรต่างๆที่ไม่มีในบ้านเรา ไปดูสถานที่สวยๆงามๆที่ไม่มีในบ้านเราไปรับประทานอาหารรสชาติที่ไม่มีในบ้านเราเป็นตน้นอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราตายไปถ้าเราได้ทำบุญแล้วเราไม่ได้ทำบาปเลยถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็แล้วกันเพราะคงจะยากที่ว่าเราจะไม่ได้ทำบาปเลยเพราะถ้าเป็นปุถุชนนี่ยัง พลาดได้ยังพลาดพังเผล่ไปทําบาปได้แต่ถ้าตราบใดการทําบาปของเราน้อยกว่าการทําบุญบาปก็ยังจะไม่มีโอกาสได้แสดงผลเพราะช่วงที่เวลาที่ร่างกายตายไปบุญและบาปนี่แหละจะเป็นผู้ที่มาดึงจิตใจให้ไปในทางใดทางหนึ่งให้เป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่ง บาปถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้ไปเป็นให้ไปในอบายถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงให้ไปในสวรรค์ไปเป็นเทพไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆเหมือนกับการท่องเที่ยวก็มีระดับต่างๆระดับห้าดาวระดับสี่ดาวขึ้นอยู่กับเงินที่เราจะจ่ายถ้ามีเงินมากก็สามารถ ซื้อระดับท่องเที่ยวที่มีดาวมากได้เงินที่เราไปใช้ในเวลาที่เราตายไปก็บุญนี่เองเนี่ยเวลาเรามาทําบุญจึงเป็นเหมือนกับเป็นการมาเปลี่ยนเงินเป็นเงินสกุลไทยไปสู่เป็นเงินสกุลทิพนะเพราะเวลาเราตายไปนี่เราต้องใช้เงินทิพบุญนี่แหละคือเงินทิพเงินที่จะไปซื้อความสุขชนิดต่างๆในขณะที่ เราไม่มีร่างกายนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้ารับประกันถ้ารักษาศีลได้หรือทําบาปน้อยกว่าทําบุญบาปยังจะไม่แสดงผลถ้าไม่ทําบาปเลยได้จะดีกว่าเพราะว่าต่อไปอาจจะบุญอาจจะน้อยกว่าบาปก็ได้ในภพต่อไปชาติต่อไปถ้าเกิดบาปมากกว่าบุญเมื่อไหร่ บาปก็จะดึงใจไปในอบายทันทีไปอยู่จนกว่าบาปกับบุญจะมีกำลังเท่ากันไม่ว่าจะไปอบายหรือไปสวรรค์พอบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันก็จะไม่สามารถดึงใจไปทางใดทางหนึ่งได้ใจก็จะกลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่ถ้าลงมาจากข้างบนมาจากสวรรค์ก็จะ เป็นคนที่มีวาสนาบารมีมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสวยงามมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวนานไม่พิกลพิการมีอาการครบสามสิบสองเป็นต้นสิ่งที่ดีต่างๆเกิดจากการทำบุญ สิ่งที่ไม่ดีต่างๆนี่เกิดจากการทํำบาปนี่คือเรื่องของการประกันภัยแต่การซื้อประกันภัยนี้ไม่สามารถไปประกันความตายได้ยังต้องกลับมาเกิดมาตายอยู่ถ้าเพียงแต่ทําบุญทําทานและรักษาและรักษาศีลถ้าอยากที่จะไปรับประกัน ชีวิตก็คือไม่ต้องกลับมาตายต่อไปจะำจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติสูงขึ้นกว่าการทำบุญทำทานกับการรักษาศีลห้าต้องเพิ่มศีลห้าเป็นศีลแปดหรือศีลสิบหรือศีลสองร้อยีิบเจ็ดคือต้องใช้ชีวิตแบบนักบวชยุติการเสพกาม เพราะการเสพกามนี้เป็นเหตุที่ดึงให้เรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองการเสพกามนี้ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะกามนี้คือกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสผธทพะนี้เรียกว่ากามกามคุณห้าการที่เราจะเสพกามคุณห้าได้เราต้องมีอายะตนะห้า คือต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายอยากจะดูรูปต้องมีตาอยากจะฟังเสียงต้องมีหูอยากจะดมกลิ่นต้องมีจมูกอยากจะลิ้มรสต้องมีลิ้นอยากจะสัมผัสสิ่งต่างๆเช่นความเย็นความร้อนความหนาวความแข็งความนุ่มก็ต้องมีร่างกายใจที่มีความอยากเสพกาม จึงต้องกลับมาเกิดถึงแม้จะซื้อะกันไัย์ก็ะกันไัยก็เพียงรับรองว่าไม่ต้องไปเกิดในอบายและเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีบุญมีวาสนาจะเป็นมนุษย์ที่อยู่อย่างสบายกว่าพวกที่อาภัพวาสนาพวกที่ทำบาป พ, พวกที่ไม่ทาบุญแต่ยังต้องกลับมาเกิดอยู่เพราะว่าการ ทำบุญทำบาปไม่สามารถไปกำจัดความอยากเสพกามได้ความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี่ไม่ได้ตายไปด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลได้รับการตัดทอนลงไปการทำบุญทำทานก็จะช่วยลดการความอยากในการเสพกามให้น้อยลงไปได้การรักษาศีลก็จะห้ามไม่ให้ไปเสพกามได้ แต่ไม่ได้ทําลายให้มันหมดสิ้นไปถ้าเป็นต้นไม้ก็เพียงแต่ตัดกิ่งตัดก้านเท่านั้นเองจําเป็นที่จะต้องทํามากกว่า น, นั้นต้องตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ยังไม่พอตัดแล้ามันยังโผล่ขึ้นมาได้ถ้าไม่ถอนรากถอนโคนการที่จะทําลายต้นไม้ให้สิ้นซากไปได้นี้ตอนต้นก็ตัดกิ่งตัดใบก่อนแล้วก็มาตัดโคนต้นเมื่อตัดโคนต้นเสร็จแล้ว ก็มาขุดรากออกถ้าขุดรากออกจากดินและทีนี้มันก็จะไม่มีวันขึ้นต้นไม้นั้นก็จะไม่มีวันขึ้นมาได้ถ้ายังไม่ได้ถอนรากนี่เดี๋ยวมันก็ยังโผล่ขึ้นมาได้ยังงอกขึ้นมาใหม่ได้การที่จะยุติการกลับมาเกิดก็เป็นอย่างนั้นนอกจากทาบุญทำทานรักษาศีลห้าแล้วก็ต้องเพิ่ม เพิ่มจากการรักษาศีลห้าไปสู่การรักษาศีลแปพราะเราต้องเริ่มจากของง่ายก่อนถ้าเรายังรักษาศีลห้าไม่ได้จะไปรักษาศีลแปนี่ย่อมเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเรารักษาศีลห้าได้เป็นปกติแล้วการที่จะเพิ่มอีกสามข้อก็จะไม่ยากเย็นจนเกินไปเ่นเราก็จะอามาลองรักษาในวันที่สะดวก สมัยก่อนเราก็เรียกว่าวันพระเป็นวันที่สะดวกเพราะวันพระเป็นวันที่เราว่างจากภารกิจการงานเราจะได้มารักษาศีลแปดได้เพราะถ้าเราไปทำงานการรักษาศีลแปก็จะเป็นปัญหาต่อการทำงานได้งั้นเราจึงเลือกมารักษากันในวันหยุดทำงานสมัยนี้เราอาจจะต้องถือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันพระ เป็นวันที่เราจะมาลองรักษาศีลแปดกันแล้วการรักษาศีลแปดก็ไม่ใช่รักษาเพียงแต่ศีลแปรักษาศีลแปดเพื่อที่เราจะได้ไปฝึกสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเราก็ต้องไปหาที่ที่เหมาะสมที่ที่มีการรักษาศีลแปดมีการนั่งสมาธิมีการฟังเทศฟังธรรมก็จะเป็นมักจะเป็นวัดวาอารามต่างๆ ในสมัยนี้อาจจะมีวัดวารามของยุคปัจจุบันขึ้นมาก็ได้คือถ้าเราไปอยู่ที่บ้านที่ไหนที่สงบที่เราสามารถรักษาศีลแปดได้แน้สมัยนี้การฟังเทศฟังธรรมก็ฟังได้ผ่านสื่อต่างๆมีทั้งโทรศัพท์มือถือมีทั้งหนังสือธรรมะมีทั้งซีดีอันนี้ก็จะถือว่าเป็นวัดในยุคปัจจุบันก็ได้ ที่ไหนที่มีการฟังเทศฟังธรรมได้ที่ไหนที่สงบที่นั่งสมาธิได้ที่ไหนที่เรารักษาศีลแปดได้ง่ายที่นั่นก็ถือว่าเป็นวัดวัดก็ได้เพราะความหมายของวัดก็คือที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมนั่นเองสมัยนี้บางทีวัดอาจจะไม่เป็นวัดเสียแล้วก็ได้เพราะวัดเดี๋ยวนี้กลายเป็นศูนย์การค้าไปก็มีมีตลาดนัด ในวัดมีกิจกรรมเป็นที่เผาศพกันเสีอส่วนใหญ่วัดเป็นที่ชุมชนนะแทนที่จะเป็นที่สงบวิเวกกลับกลายเป็นที่ชุมนุมกันเพราะมีกิจกรรมต่างๆที่ทางวัดไม่ได้ยับยั้งไม่ได้ห้ามปรามปล่อยให้เข้ามาสู่ในวัดสมัยก่อนสมัยพุทธกาลในวัดเป็นที่สงบเงียบสงัด ส่วนใหญ่จะเป็นวัดป่าวัดเขาจะไม่มีกิจกรรมทางโลกก็ามาเกี่ยวข้องด้วยจะมีแต่กิจกรรมทางธรรมคือมีการรักษาศีลมีการปฏิบัติธรรมมีการนั่งสมาธิมีการฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะสมัยก่อนนั้นมีพระพุทธเจ้าพระสาวกเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านเป็นผู้ที่ รู้ว่าอะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจของชาวพุทธเราประโยชน์ก็คือการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนี่เองถ้าอยากจะหลุดพ้นก็จำเป็นที่จะต้องอยู่แบบนักบวชหรือทดลองอยู่แบบนอกบวชตอนเริ่มต้นเราอาจจะบวชไม่ได้ทันทีทันใดแต่เราควรจะหัดบวชกันชั่วครั้งชั่วคราวกันก่อน เช่นวันพระลองมาเป็นนักบวชกันสักวันหนึ่งมาอยู่แบบนักบวชมาถือศีลแปดกันมาละเว้นการเสพกามคุณห้ากันละเว้นการร่วมหลับนอนกันอละเว้นการรับประทานอาหารตามความอยากให้รับประทานอาหารแบบรับประทานยาให้มีเวลาลเวลา้ารับประทานเสร็จแล้วก็จบไม่รับประทานแบบพ่าเพื่อ อยากจะรับประทานเมื่อไหร่ก็รับประทานผู้ที่ถือศีลแปดนี้จะรับประทานได้เพียงครึ่งวันเท่านั้นเองหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ให้รับประทานอาหารอีกต่อไปเพราะจะมาลบกวนหรือมาเอาเวลาที่เราจะเอามาใช้ในการนั่งสมาธิกันพระพุทธเจ้าจึงบวชว่าวห้ามกิจกรรมต่างๆจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันหลังจากเที่ยง จะนั่งปฏิบัติธรรมได้ไปจนถึงเวลาเข้านอนเลยประมาณสี่ห้าทุ่มได้ประมาณสิบชั่วโมงสิบแดชั่วโมงแต่ถ้าไม่ถือศินแปดเดี๋ยวก็ทํานู่นทํานี่อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต่อด้วยขนมเดี๋ยวก็ดูนั่นดูนี่มีอะไรให้ทำเพราะไม่มีศีลห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมทางกามคุณ อยากจะดูอยากจะฟังอะไรเวลาไหนก็ทำได้ก็เลยจะไม่มีเวลามาฝึกนั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมเพราะใจที่ถูกกรรมคุณห้าความอยากในการรมคุณห้าครอบงานี้จะคิดแต่เรื่องของการรมคุณห้าจะไม่คิดถึงเรื่องของการนั่งสมาธิจะไม่คิดถึงเรื่องการฟังเทศฟังธรรมถ้าไม่ดึงมาไม่บังคับมามันไม่มานะทางธรรมนี้ ถ้าไม่ดึงให้มันมานั่งสมาธินี่มันไม่มานั่งแต่หให้มาฟังเทศฟังธรรมเป็นปีๆก็เถิดถ้าไม่ดึงมันมานั่งมันไม่นั่งหรอกฟังเทศฟังธรรมมาตลอดรู้ว่าต้องนั่งสมาธิกันแต่ถ้าไม่ดึงมันมาไม่บังคับมันมานั่งมันไม่นั่งต้องบังคับมันมันถึงจะนั่งถ้าไม่เช่นนั้นฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วก็พอพอหยุดฟังก็ถูกความคิดทางกามงคลห้ามาครอบงำ ก็จะคิดแต่เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผดพปะว่าจะดูอะไรดีจะฟังอะไรดีจะกินยาเดิมอะไรดีมันจะพุ่นไปอยู่กับเรื่องของการเสพกามตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงต้องออกออกแบบออกศินคือศินแปะมาเป็นตัวระงับเป็นตัวเบรกศินแปะจะบอกว่าวันนี้เราไม่เสพกามกันนะเอวันนี้เราไม่ร่วมหลับนอนกันเอ วันนี้เราไม่รับประทานอาหารตามความอยากรับประทานแบบเป็นยารับประทานตามเวลาเช้าหนึ่งมือ้อกลางวันหนึ่งมือ้อพอแล้วรักษาร่างกายให้อยู่ได้ไม่ตายแน่นอนไม่อดตายเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องของการกินการหลับการนอนกันเอาเวลามาฝึกนั่งสมาธิ อาเวลามาฝึกสติด้วยการเดินจงกรมกันการจะนั่งสมาธิก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสตินั่งไปก็ฟุ้งซ่านนั่งไปก็คิดเรื่อยเปื่อยนั่งไปนานเท่าไหร่ก็ไม่สงบการนั่งเราไม่ได้ดูเวลาเวลาก็มีส่วนวัดแต่ตัวที่วัดตัวที่เป็นเหตุจริงๆที่จะทําให้เกิดผลไม่ใช่เวลา ตัวที่จะทำให้เกิดผลก็คือสติถ้านั่งไม่มีสติต่อให้ไปนั่งทั้งคืนทั้งวันมันก็ไม่สงบแต่ถ้ามีสตินั่งห้านาทีสิบนาทีจิตก็สงบได้พอสงบแล้วมันก็จะนั่งได้นานไปเองโดยอัตโนมัติพรเวลาจิตสงบแล้วมันปล่อยวางร่างกายมันไม่รับรู้เรื่องของร่างกายร่างกายจะเจ็บตรงนั้นบ้างปวดตรงนี้บ้างมันจะไม่รู้เสกอะไร เวลามันอยู่ในความสงบมันมีความสุขของมันมันเลยไม่สนใจกับเรื่องของร่างกายพอจิตสงบแล้วก็จะนั่งได้นานไปจะสงบได้ก็ต้องมีการฝึกสติอยู่เรื่อ ย, อยการฝึกสตินี้ก็ต้องฝึกแบบที่ทำให้เกิดผลการจะฝึกสติได้ได้ดีก็ต้องต้องอยู่คนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร เพราะการฝึกสติในรูปแบบนี้คือเราต้องการหยุดความคิดนั่นเองถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เกี่ยวข้องกับงานกับการอยู่เราต้องใช้ความคิดถึงแม้จะมีมสติอยู่กับงานก็ตามแต่งานมันบังคับให้เราคิดมันก็เวลามานั่งสมาธิมันก็ยังคิดถึงงานอยู่มันก็จะไม่สงบได้ต้องใช้ต้องฝึกสติแบบไม่ต้องใช้ความคิด งานที่จะฝึกสติแบบไม่ต้องใช้ความคิดก็ต้องไปอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่เกี่ยวข้องกับการงานต่างๆไม่ไปรับรู้เรื่องรับรู้เรื่องสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายพอจะไปเห็นทางตาเดี๋ยวก็อดคิดไม่ได้ได้ยินทางเสียงก็อดคิดไม่ได้ดังนั้นต้องปิดทวารทั้งห้าต้องไปอยู่ที่รูปเสียงกิดรสที่เราเคย ที่เคยรบกวนเราหรือเคยดึงใจให้เราไปคิดนั้นไม่ได้ไม่ไม่ได้อยู่ใกล้เราเช่นเราไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาไปอยู่ตามที่สงบเงียบนี่จะไม่มีเรื่องเราทางตาหูจบูกนกิ้วกายเข้ามากระตุ้นใจกระตุ้นความคิดของเราแล้วเราก็ควรจะอยู่คนเดียวถ้าอยู่หลายหลายคนก็ต้องแยกกันอยู่เวลาปฏิบัติธรรมนี้ควรจะปฏิบัติตามลาพังอย่าไปปฏิบัติร่วมกัน มันไม่ได้ผลนอกจากเวลาเริ่มต้นใหม่ๆยังไม่รู้จักวิธีปฏิบัติอย่างที่เราไปเข้าคอร์สกันสวันห้าวันจะมีอาจารย์มาคอยพาเดินจงกรมพานั่งสมาธิพาฝึกสติอันนี้เป็นการฝึกเริ่มต้นให้รู้จักวิธีปฏิบัติพอรู้แล้วก็ต้องไปปฏิบัติตามลําพังเพราะถ้าอยู่ร่วมกันเดี๋ยวก็อดที่จะคุยกันไม่ได้อดจะคิดถึงกันไม่ได้ คิดถึ ง, เ ข, ถง เ, เขาคิดถึงเราเขาคิดถึงเราเราคิดถึงเขาก็จะไม่ได้หยุดความคิดกันแต่ในเบื้องต้นถ้าเราไม่รู้จักวิธีนั่งสมาธิไม่รู้จักวิธีเดินจงกรมไม่รู้จักเรื่องของปัญญาเรื่องอะไรต่างๆเราก็ต้องอเรียนรู้ก่อนเราเรียนรู้นี่เรียนด้วยกันได้พร้อมกันได้เพราะครูจะได้ไม่เหนื่อยถ้าสอนทีละคนนี่เหนื่อย มีลูกศิษย์เป็นร้อยถ้าต้องสอนทีละคนนี่กว่าจะได้กว่าจะจบมันก็หมดเวลาไปไม่พอเวลาสั่งสอนเวลาศึกษาจึงปัดจึงทำร่วมกันได้เห็นเวลามาฟังเทศฟังธรรมนี้เราร่วมฟังกันได้แต่เวลาปฏิบัตินี้เราจะแยกกันไปปฏิบัติเพราะการเจริญสตินี้ต้องเจริญได้เจริญด้วยการอยู่คนเดียวนั่นเอง ถ้าอยู่คนเดียวเราจะสามารถควบคุมความคิดได้ง่ายกว่าถ้าเราอยู่กันหลายคนเดี๋ยวอดจะคิดถึงเขาไม่ได้อดจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็อดที่จะไปคุยกับเขาไม่ได้เพราะพอคุยแล้วก็ยาวคิดกันยาวพอเลิกพอแยกทางกันพอจะมานั่งสมาธิเรื่องที่คุยมันยังค้างอยู่ในใจมันก็จะทำให้นั่งสมาธิไม่ได้นั่งแล้วไม่ได้ผลนั่งได้แต่นั่งด้วยความฟุ้งซ่าน นั่งไม่ได้นั่งด้วยความสงบนี่คือการปฏิบัติสมาธินี้จําเป็นที่จะต้องมีสติก่อนถ้าอยู่ดีๆมานั่งสมาธิเลยนี่ไม่มีสตินั่งไม่ได้หรือถ้านั่งก็อาจจะไปรู้เห็นอะไรที่เป็นเรื่องเสียหายมากกว่าเรื่องที่เป็นประโยชน์คนที่ไม่มีสตินั่งแล้วเดี๋ยวจิตก็อาจจะผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกเราได้ ผลิตรูปเสียงอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกเราได้แล้วเราก็หลงความโง่ของเราก็จะหลอกเราคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาบางคนก็คิดว่าเป็นสวรรค์เป็นพรหมเป็นอินเป็นอะไรขึ้นมาหลัลึกชาติบ้างอะไรบ้างขึ้นมาต่างๆอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิโดยไม่มีสติแล้วถ้าจิตมันผลิตอะไรที่น่าหวาดกลัวขึ้นมาก็จะไม่กล้านั่งอีกต่อไป มีบางคนมาเคยเล่าให้ฟังว่าพอนั่งเราเห็นอะไรที่หวาดกลัวนี่หน้าหวาดกลัวแล้วไม่กล้านั่งอีกต่อไปเพราะนั่งแบบไม่มีสติถ้ามีสติแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจสติเป็นตัวหยุดใจหยุดความคิดใจเรานี่เหมือนอกล้องฉายหนังโรงหนังสมัยก่อนเขาใช้มีกล้องฉายหนังฉายไปบนจอมี มีภาพยนตร์หนังต่างๆหนังตลกหนังบูหนังลักหนังอะไรใจเรานี่แหละเป็นเหมือนกล้องฉายหนังกล้องที่จะฉายหนังบนจอจอก็คือใจของเราในใจเรานี้มีมโนภาพมีจอที่รับมโนภาพต่างๆถ้าเราไม่มีสติควบคุมตัวฉายหนังตัวนี้มันจะฉายหนังเรื่องต่างๆแล้วแต่มันจะฉายออกมา อาจจะเป็นเรื่องตลกเรื่องหวานเรื่องหรืออาจจะเป็นเรื่องเศร้าเรื่องหวาดเสียวเรื่องหวาดกลัวก็ได้แต่ถ้าเรามีสติเราจะควบคุมตัวนี้ได้เราจะไม่ให้มันฉายอะไรออกมาถ้ามีสติเราจะหยุดการคิดปรุงแต่งของใจได้การผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกเราได้แล้วใจก็จะได้ก้าสู่เข้าสู่ผลที่เราต้องการก็คือความสงบ การนั่งสมาธินี้ไม่ต้องการรู้อะไรไม่ต้องการเห็นอะไรไม่ต้องการเจริญปัญญาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นต้องการความสงบเพราะความสงบนี้เป็นกำลังของใจถ้าใจไม่มีความสงบใจจะไม่สามารถไปทำงานขั้นต่อไปได้คือขั้นปัญญาขั้นปัญญานี้มีไว้เพื่อทำลายความอยากที่ดึงให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี่เอง แต่ก่อนที่จะไปขั้นปัญญาเพื่อที่จะหยุดความอยากต่างๆที่ทำให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันได้นี่เราต้องมีกําลังก่อนต้องมีสมาธิก่อ น, นเปรียเหมือนกับร่างกายของเราก่อนที่เราจะออกไปทำงานนี่เราต้องพักผ่อนหลับนอนก่อนต้องรับประทานอาหารตอนเช้าพอเราตื่นขึ้นมาเตรียมตัวไปทำงานเราก็ต้องรับประทานอาหารก่อน พอได้พักผ่อนหลับนอนได้รับทานอาหารทีนี้ก็มีกำลังไปทำงานได้อย่างน้อยก็สี่ชั่วโมงพอไปถึงที่ทางานก็ทำงานได้เลยถึงเที่ยงแล้วเราก็หยุดพักกินอาหารต่อกินอาหารเสร็จก็ทำงานต่อไปจนถึงเย็น5้าโมงเย็นก็กลับบ้านรับประทานอาหารอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนหลับนอนอีกนี่คือสมาธิของร่างกาย สมาธิของใจก็แบบเดียวกันเป็นที่พักผ่อนหลับนอนของใจใจจะมีกำลังที่จะไปทำงานทางปัญญาได้จำเป็นจะต้องมีสมาธิก่อนองั้นขั้นต้นเวลาเราฝึกเราต้องฝึกสมาธิก่อนเพื่อสร้างกำลังให้กับใจถ้าใจมีกำลังแล้วทีนี้เราถึงไปขั้นที่สองได้คือไปทำงานไปศึกษาปัญญาไปสร้างปัญญาก้นมา เพื่อที่เราจะได้เอาปัญญามาทำลายความอยากต่างๆความอยากในกามอยากในรูปเสียงกลิ่นลดผลพัพะความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นจะต้องใช้ปัญญาถึงจะทำลายมันได้สมาธิเพียงแต่กดมันไว้เท่านั้นแต่ไม่สามารถทำลายมันได้ถ้าเป็นต้นไม้สมาธิก็เป็นเหมือนการตัดต้นไม้แต่ต้นไม้ถ้ายังไม่ได้ถอนรากขึ้นมาจากดิน เดี๋ยวต้นไม้มันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ผู้ที่จะถอนรากออกจากดินได้ผู้ที่จะถอนรากของความอยากให้ออกจากใจได้ก็คือปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเราจรึงต้องมาฝึกสมาธิก่อนอย่างนั้นขอให้เข้าใจการนั่งสมาธินี้เป็นการปฏิบัติเพื่อความนิ่งความสงบของใจเพียงอย่างเดียว ไม่เกี่ยวข้องกับการเจริญปัญญาไม่เกี่ยวข้องกับการเห็นนู่นเห็นนี่อะไรต่างๆต้องการให้มันว่างให้มันสงบให้มันเป็นอุเบกขาเพราะว่าเวลาใจเป็นอุเบกขานี้ใจจะเป็นใจจะแข็งจะมีกําลังมากมีกําลังสู้กับกิเลสตัณหาเพราะเวลาเป็นอุเบกขานี้จะดับความรักชังกลัวหลงได้ ความรักชางกลัวหลงนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดความอยากขึ้นมาพอรักอะไรก็อยากได้พอชังอะไรก็อยากจะกำจัดเหมือนพอกลัวอะไรก็อยากจะหนีพอหลงอะไรก็จะอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอ ย, อย่างนี้ขึ้นมาทั้งๆ ท, ท, ที่มันเป็นไม่ได้ก็ยังอยากให้มันเป็นอยู่นี่นนคือความหลงถ้าเรามีสมาธิเวลาจิตสงบแล้วจิตว่างนิ่งแล้วไม่คิดปรุงแต่งอะไรแล้ว ใจจะเฉยๆจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงตอนนั้นความอยากจึงไม่ปรากฏขึ้นมาในใจถ้าสงบแล้วก็พยายามรักษาความสงบนี้ให้มันอยู่ไปนานๆอย่าไปดึงออกมาพิจารณาทางปัญญาตอนนี้ยังไม่พร้อมต้องฝึกให้ชำนาญก่อนต้องฝึกให้ให้ให้มั่นคงก่อนสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการและอยู่ได้นานๆ จนเรามีความมั่นใจว่าทุกครั้งที่เราต้องการความสงบเราสามารถเข้าได้ทุกครั้งที่เราต้องการอุเบกขาเราสามารถเรียกหาได้เพราะเราต้องใช้อุเบกขาเวลาที่เราออกมาเจริญปัญญาถ้าเราไม่มีอุเบกขาบางทีเราเจริญไม่ได้พอจะเจริญปัญญามันก็ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสไปอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามันไม่มีความอยาก ในรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีความรักชังกลัวหลงกับรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะอยู่เรื่องของปัญญาได้เรื่องของปัญญาก็คือการศึกษาความจริงของสิ่งต่างๆที่จิตใจของเราไปหลงคิดว่าเป็นความสุขนั่นเองสิ่งอะไรที่เราคิดว่าเป็นความสุขกันก็คือลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกเลื่นงกายที่พวกเราหากันแทบทุกวันนี้หาอะไร ก็หาลาบลาบก็คือเงินทองเข้าของต่างๆยศก็คือตำแหน่งต่างๆการมีหน้ามีตาการมีอํานาจวาสนาเป็นใหญ่เป็นโตก็เรียกว่ายศสรรเสริญก็คือการหารางวัลต่างๆแข่งขันกันกีฬาก็แข่งเอาเหรียญทองกันเอาเอเอาเงินรางวัลกันแล้วก็มีหน้ามีตามีเกียรติมีคนชื่นชมยินดีมีแฟนตามเป็น ร้อยเป็นพันนะเราจึงชอบหาลาบยศสรรเสริญแล้วก็หาความสุขเราไปเที่ยวกันนี่ก็ไปหาความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกายกันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือไปเที่ยวดูภาพยนตร์ไปฟังเพลงไปดูคอนเสิร์ตไปดูการร้องลําทําเพลงอันนี้ก็เป็นการหาความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกาย หรือการไปร่วมหลับตอนกันมันก็เป็นการหาความสุขทางตาหูจมูกล่นงกายอันนี้คือเรื่องของกามที่เราต้องมากำจัดกันจะกำจัดได้ก็ต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขแบบควันไฟมันไม่จีรังถาวรได้มาแล้วก็หมดไปพอหมดมันก็ปล่อยให้เรามีความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ จะต้องกลับไปหามันอยู่เรื่อยๆถ้าเคยเที่ยวก็จะต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆถ้าเคยหาความสุขจากสิ่งใดก็จะกลับไปหาสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆเพราะสิ่งนั้นมันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะหมดก็ต้องหาใหม่แล้วต่อไปถ้าเกิดร่างกายไม่สามารถที่จะหาได้ก็จะมีปัญหาหรือถ้าไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะหาก็จะมีปัญหาความสุขที่เคยได้ก็จะหายไป มีแต่ความทุกข์ทรมานใจถ้าทุกข์ทรมานใจมากๆกก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายก็ได้ถ้าอยู่แล้วไม่สามารถหาความสุขได้นี่คือโทษของการหาความสุขจากลาบยศสระเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถะพระเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันมีมาแล้วก็มีไปมีขึ้นแล้วก็มีลงมันไม่ขึ้นไปอย่างเดียวมันไม่มาอย่างเดียว วันดีึืนดีมันก็หายไปหมดเลยก็ได้ถ้าเราบางทีเราก็ควบคุมบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตามันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นอนัตตาเราไปสั่งว้ให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันเป็นของเราให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วความสุขต่างๆที่เราได้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายผ่านลาบยศสารเสรินนี้มันจะต้องมีวันหมดไปจะต้องมีการพัดภาคจากกัน ไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายเวลาจากกันก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจนี่คือปัญญาที่เราจะต้องมาคิดกันอยู่เรื่อยๆคิดจนไม่ให้ลืมไม่ใช่คิดกันเพียงครั้งสองครั้งคิดครั้งของครั้งเดียวไปคิดถึงเรื่องเก่ามันก็ลืมไปเราต้องคิดตลอดเวลาจนทำให้เราไม่อยากที่จะไปกลับไปหาราบยศสารเสริญ ไม่อยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายอันนั้นเราถึงจะสามารถหยุดความอยากที่ดึงให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติปัญญาอย่างต่อเนื่องแต่การปฏิบัติแบบปัญญาก็เหมือนกับการทำงานทางร่างกายเมื่อทาไปถึงเวลาก็ต้องมีการพักเพราะมันก็เหนื่อยต้องพักและประทานอาหาร ทำงานสี่ชั่วโมงก็ขอพักชั่วโมงกินข้าวก่อนเอแล้วก็ต่อมาก็ทำอีกสี่ชั่วโมงกลับบ้านมากินข้าวอาบน้ําอาบท้าการเจริญปัญญาก็เหมือนกันเจริญไปสักพักหนึ่งแล้วก็ต้องหยุดเพราะมันหมดแรงหมดกําลังก็ต้องเข้าไปเติมกําลังในสมาธินี่ทําไมเราจึงต้องให้มีความชํานาญทางสมาธิก่อนเพราะเวลาที่เราต้องการพักจิตเราจะได้เข้าไปได้ทันทีพักได้ทันที พอเหนื่อยจากการพิจารณาทางปัญญาเราก็หยุดพิจารณากลับเข้าไปนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธหรือดูลมหายใจเดี๋ยวใจก็สงบสงบไปจนกระทั่งมันอิ่มมันพอมันก็จะถอนออกมาแล้วก็มันพร้อมที่จะไปพิจารณาทางปัญญาต่อต้องพิจารณาจนมันจําได้จนไม่ลืมถ้ายังยังจำไม่ได้ยังหลงลืมอยู่เราเรียกว่าสัญญาไม่ใช่ปัญญา ปัญญานี้จะไม่ดื่มเห็นอะไรเป็นไตรักหมดเห็นอะไรเป็นอสุภะหมดเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาตลอดเวลาถึงเป็นปัญญาเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้ากิเลสมันมาเกิดตอนที่เราจําไม่ได้เราก็ถูกกิเลสดลอกถ้าถึงเวลากิเลสอยากจะไปเที่ยวเราลืมว่ามั น, เ ป, นเป็นทุกข์เราก็ไปเที่ยวกับมันแล้วก็มาทุกข์ทีหลังเวลากลับมาบ้านแล้วเงินหมดไม่มีเงินเที่ยวมันก็รู้ว่าตอนนี้ทุกข์แล้ว แต่ถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้าเวลากิเลสมาชวนเราไปเที่ยวเราบอกว่าไม่ไปมันเป็นทุกข์แบบนั้นนิจังทุกขังอนัตตาไออย่างนี้เรียกว่าปัญญาปัญญาต้องพร้อมเสมอต้องมีอยู่กับตัวตลอดเวลาถึงจะเรียกว่าปัญญาถ้าเป็นความรู้แบบเพอๆบางทีก็ลืมบางทีก็ไม่ลืมนี่เรียกว่าสัญญายังไม่เป็นปัญญา ถ้าสัญญาพอถึงเวลาจะใช้มันดื่มไปซแล้วพอถึงเวลาจะเอามาสู้กับกิเลสหายไปที่ไหนไม่รู้เนล่อันนี้เรียกว่าสัญญาความรู้ที่เราจเจริญต้องไม่ให้มันหายต้องให้มันอยู่กับใจเราไปตลอดเราต้องการใช้มันเมื่อไหร่ก็ใช้มันได้ทันทีถึงจะเรียกว่าปัญญาจะเป็นปัญญาได้ก็ต้องจเจริญอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ จะหยุดพิจารณาก็ตอนที่ไปพักในสมาธิเท่านั้นหรือเวลานอนหลับนอกนั้นแล้เวลาตื่นขึ้นมานี้ถ้าอยู่ในขั้นปัญญานี้จะพิจารณาตลอดเวลาเนาะยกเว้นเวลาที่หลับหรือยกเว้นเวลาที่เข้าไปในสมาธิเท่านั้นนี่คือการเจริญปัญญาเจริญสมาธิเพื่อซื้อประกันชีวิตของพุทธศาสนาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาตายกันอีกต่อไป ถ้าเรายังไม่สามารถจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาจนสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ความอยากนี่แหละจะเป็นตัวที่พาให้เรากลับมามีร่างกายกันอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดพอเกิดแล้วก็ต้องมีตายกันแต่ถ้าเราสามารถทำลายความอยากที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้ความอยากจะไม่มีดึงใจให้เรากลับมาเกิดอีกต่อไปก็เราก็ไม่ต้องเกิด พอไม่เกิดแล้วก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนี่นี่คือประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาต้องต้องปฏิบัติมากกว่าการซื้อประกันภัยประกันภัยเพียงแต่ทําบุญทำทานรักษาศีลห้าถ้าอยากจะซื้อประกันชีวิตนี้ต้องถือศินแปดสินสิบสินสองรอยี่สิบเจ็ดแล้วก็ต้องนั่งสมาธิสลับกับการเจริญปัญญาเพื่อทําลายความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ ถ้าทำลายความอยากได้หมดสิ้นไปจากใจแล้วการกลับมาเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีการตายอีกต่อไปนี่คือการซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาก็ขอให้พวกเราจงนำเอาไปเพนิดพิจารณาและปฏิบัติถ้าต้องการความคุ้มครองจากพระพุทธศาสนาคุ้มครองภัยคุ้มครองภัยหรือคุ้มครองชีวิตก็ต้อง ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพ ร, พระพุทธศาสนาก็จะคุ้มของภัยคุ้มของชีวิตให้แก่พวกเราการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวารรวาหาปูราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกักปติ อิชิตังปะทิตังตุมหังเก็บะเมวะสัมมิตาโตสัพเพปุริยโตสังกปาจันโทปนะราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวาจจันโตสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะพิวาฒนศีลิจะนิจังวุฒาปะจายโนจตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลัาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ เฟซบุ๊กสามร้อสิบเจ็ดคนครับ y o u t u ร้อยแปดสิบอดคนครับวิทยุออนไลน์สิบแปดคนครับโฟร์ฟังบนเขาร้อยสามสิบคนครับรวมทั้งหมดห4 6้อยสี่สิบหกคนครับอาจารย์ใครอยากจะถามคำถามเชิญถามได้ตอนนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็ให้เขียนใส่กระดาษเข้ามาแล้วจะมีคนอ่านคำถามให้เราจะถามกันจนทั้งเลิกประชุม ถ้ารักประชมแล้วก็ขอหยุดเพราะหมดแรงพอดีคำถามฝากถามค่ะเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าการฆ่าสัตว์เพื่อนำมาใช้กินเป็นอาหารคนฆ่าคนเลี้ยงบาปไหมเจ้าคะถ้าไม่มีคนฆ่าคนส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเนื้อสัตว์กินแล้วคนที่เป็นเจ้าของใหญ่ๆ เขาจะบาปไหมคะเพราะว่าเขาให้คนมาทํางานฆ่าสัตว์เพื่อบริโภคเขาไม่ได้ฆ่าเองคะ่ะคือใครได้รับประโยชน์จากการฆ่าก็มีส่วนร่วมด้วยกันมีบาปมากบาปน้อยอยู่ที่การมีส่วนร่วมไม่ได้ฆ่าเองใช้เขาฆ่าก็บาปเหมือนกันยังให้ดูที่ผลประโยชน์ที่เกิดจากการฆ่าใครได้รับผลประโยชน์ก็เอ ว, ว่ามีส่วนร่วมในการทําบาป อาจจะรับผลมากน้อยต่างกันไปก็แบ่งเปอร์เซนต์กันไปก็แล้วกันมีร้อยเปอร์เซนนะใครได้ได้ประโยชน์มากก็ได้มีผลผลมากได้รับประโยชน์น้อยก็มีผลน้อยคำถามฝากถามค่ะเวลานั่งสมาธิเห็นเป็นปุยเมฆและควันสีขาวลอยไปลอยมาบางครั้งก็เห็นเป็นฟ้าแลบ เป็นแบบนี้มาหลายปีก็ยังไม่พัฒนาไปไหนเลยถ้าเราอยากพัฒนาสมาธิให้มีกำลังยิ่งเราต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะ่ะก็ต้องเพิ่มสติให้มากขึ้นต้องฝึกสติให้บ่อยขึ้นสตินี่เราฝึกได้ตลอดเวลาไม่ใช่แต่ตอนที่เรามานั่งเท่านั้นเราฝึกได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาจะลุกขึ้นมาก็จะเริญมสติก่อนเลยพุโทโธไปก่อนเลย ทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไปหรือหยุดความคิดด้วยวิธีการเฝ้าดูงานที่เรากําลังทําอยู่แปลงฟันก็อยู่กับการแปลงฟันอย่าไปคิดถึงคนนูน้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะมีสติเพิ่มมากขึ้นแล้วพอนั่งแล้วอาการต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นมาที่เกิดเพราะใจเราไม่อยู่ไม่ไม่ถูกควบคุมได้อย่างต่อเนื่องพอเราเผลอเมื่มอไหร่มันก็ผลิตภาพมาหลอกเรา ใจก็ไม่ได้ผลคือไม่ได้ความสงบไม่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงดังนั้นต้องฝึกสติให้มากๆบ่อยๆคำถามฝากถามอีกคำถามค่ะโยมทํางานบริษัทพักเที่ยงอยู่รับประทานอาหารโยมรับประทานอาหารมื้อเดียวแต่อยากรักษาสิ้นแปดแต่เลยเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาไปแล้วจะได้หรือไม่เจ้าคะ ก็อย่างที่บอกเวลาที่ bon ต้องไปทำงานมันก็เลยทำให้การรักษาสิ้นแปดอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วถ้าเลยไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรพรามันภาวะมันบังคับกินตอนเที่ยงไม่ได้กินก่อนเที่ยงไม่ได้เพราะอย่างทํางานอยู่อย่างนี้ก็น่าจะอนุโลมผ่อนผันกันได้ตามตามหลักความเป็นจริง แต่ถ้าเราพูดตามกตามตัวอักษรมันก็ถือว่ามันก็ผิดละมันไม่ไม่เป็นไปตามสัญญาสัญญาบอกว่าต้องก่อนเที่ยงแต่ความจริงเรามาจ่ายเขาหลังเที่ยงเขาอจะปรับเราหน่อยเสียค่าปรับสัญญาจะเอาเงินมาจ่ายตอนก่อนเที่ยงแล้วพอดีไปติดรถติดอะไรขึ้นมาก่อนจะมาถึงที่มาจ่ายเงินได้ออช้าไปหน่อยเขาก็ขอปรับหน่อยปรับค่าดอกเบีย้ย แต่ก็ก็ดีกว่าไม่รักษาเลยถ้ารักษาแบบนี้ได้ก็ยังดีถ้ามันสุดวิสัยจริงๆไม่ได้เกิดจากเจตนาของเราเกิดจากภาวะบังคับก็ไม่ถือว่าเสียหายอะไรเพราะผลก็ยังได้เหมือนกันก็คือไม่กินหลังเที่ยงวันไม่กินหลังหลังเที่ยงวันไปแล้วหลังบ่ายก็ได้ถ้าชั่วโมงหนึ่งก็บ่ายคำถามค่ะในช่วงที่เข้าวัดในใจเกิดทะเลาะกัน ความคิดชั่วเกิดขึ้นแต่จิตไม่ได้อยากคิดหรืออยากให้เป็นอย่างนั้นอีกความคิดหนึ่งก็สอนเรื่องดีๆขึ้นมาเหมือนกันเราก็ดูอยู่จนบางทีอยากจะกระทึบประทืบเหยียบเหยียบความคิดชั่วลงไปอย่างนี้จิตปกติหรือเปล่าคะหรือว่าเรากำลังต่อสู้กับกิเลสอยู่คะก็เป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดี ถ้าเรามีสติก็หยุดมันก็ได้ย้ายมันทะเลาะ ก, กันเลยเหนื่อยเป่าๆพุโทโธพุโทโธหยุดมันดีกว่าเราก็รู้แล้วว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันให้เหนื่อยหยุดมันดีกว่าฝึกสติให้มันอย้าให้มันคิดดีกว่าแล้วก็จิตก็จะได้สงบได้นคําถามจาก facebook ค่ะคำถามจากคุณโรงศักด์เข็มเพชรกราบเรียนถาม อุบายวิธีพิจารณาหยุดความโกรธในเรื่องที่คนอื่นมากระทบหรือเรารู้สึกว่าเขารบกวนเราครับความโกรธก็เกิดจากความอยากของเราเ น, นี่ยพออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธอยากให้เขาพูดดีกับเราพอเขาไม่พูดดีกับเราเราก็โกรธเนี่ยเราต้องมาตัดความอยากว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งให้เขาพูดดีนื ทำดีกับเราไม่ได้ก็ปล่อยเขาทําไปเมื่อเราปล่อยเขาทําแล้วเราก็จะไม่เกิดความโกรธขึ้นมาเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาทําดีกับเราหรือพูดดีกับเราคําถามจากคุณกฤษดาปฏิบัติธรรมโดยรักษาเพียงศีลห้าจะสามารถบรรลุโสดาบันได้ไหมครับต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาเนยะถึงจะบรรลุขั้นอริยเจ้าได้ ศินห้ามันก็มันก็ยากที่จะทาให้เกิดสมาธิสมาธิก็ถ้าไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดเกิดยากยิ่งจะบรรลุได้มันต้องมีสมาธิมีปัญญาไม่ใช่มีที่แค่ศีลห้าคำถามจากคุณเยาวมานได้ยินพระอาจารย์เน้นให้ลดละความอยากมาหลายครั้งแล้วปัจจุบัน เห็นความอยากของกายและจิตมีมากมายและจิตก็ทุรนทุรายมากแม้จะลําบากกายก็ต้องหามาสนองกายและจิตให้ได้จึงจะหมดทุกข์แล้วก็อยากใหม่ถ้าดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เราจะค่อยๆลดกิเลสของตัวเองไหมคะก็ดูไปสดิดูว่ามันจะลดหรือมันจะเพิ่มขึ้นจะสู้มันไหวหรือเปล่าเวลามันอยากเราหยุดมันได้หรือเปล่า ถ้าหยุดไม่ได้มันก็ไม่มีวันลดมันจะลดก็ต่อเมื่อเราหยุดทุกครั้งที่มันอยากเราก็หยุดไม่ทำตามมันมันถึงจะลดได้เช่นเราอยากสูบบุหรี่ทุกครั้งที่เราอยากสูบบุหรี่เราก็ไม่สูบถ้าไม่สูบไปความอยากมันก็จะเบาลงไปทุกครั้งเดี๋ยวความอยากก็หายไปได้ต้องเกิดจากการหยุดมันดูเฉยๆแล้วทาตามความอยากายาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดูแล้วต้องหยุดมัน ถ้าหยุดความอยากได้ความอยากก็จะค่อยๆหมดไปครั้งแรกมันไม่หมดทีเดียวมันก็หมดไปครึ่งหนึ่งพอหยุดครั้งที่สองมันก็หมดไปครึ่งของนั้นมันก็หยุดไปทีละครึ่งทีละครึ่งเดี๋ยวไม่กี่ครั้งมันก็หายไปหมดเลยคนถึงเลิกบุหรี่ได้เลิกสุราได้เลิกเที่ยวได้ก็เพราะเขามีกำลังที่จะฝืนความอยากของเขาถ้าเขาไม่มีกาลังเขาก็ต้องไปกับมันทุกครั้งมันอยากจะสูบก็ต้องสูบ ถ้ไม่สู่มันก็ทุรนทุรายพอได้สูบก็หายทุรนทุรายชั่วคราวเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาถ้าต้องการที่จะหยุดจะเลิกมันก็ต้องไม่ทําตามมันเท่านั้นถ้าฝืนมันได้ไม่กี่ครั้งไม่ไม่เกินสิบครั้งมันหายไปแน่นอนมันไม่กลับมาคำถามจากคุณจานี่ข้อแรกพระโสดาบานัน ยังรักสวยรักงามหรือเปล่าเจ้คาคะก็รักก็ได้ไม่รักก็ได้แล้วแต่เขาเพราะเขายังมีความอยากจะเสกกรมอยู่ยังอยากมีแฟนอยู่ถ้าอยากจะมีแฟนก็ต้องตัวเองก็ต้องสวยต้องงามะแล้วก็แฟนก็ต้องสวยต้องงามใช่ไหมถ้าตัวไม่สวยไม่งามแฟนก็ไม่อยากได้เราถ้าแฟนไม่สวยไม่งามเราก็ไม่อยากได้เขาบัสดาบันยังรักความสวยความงามอยู่เพราะยังอยากเสกกรรมอยู่ ข้อสองเมื่อเราได้ฟังธทำแล้วเรารู้แล้วว่าขันห้าไม่ใช่เราเป็นเพียงการรู้เพียงสัญญาถูกต้องไหมคะใช่เวลาปล่อยมันไม่ปล่อยเลยเวลาถึงเวลาจะให้มันปล่อยมันกลับไปยึดติดแสดงว่ามันไม่เป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาถึงเวลาปล่อยก็ต้องปล่อยได้เมื่อมันไม่ใช่ของเราเมื่อมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเมื่อมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่มันจะตายก็ปล่อยมันตายแต่มันไม่เป็นอย่างนั้น หรือว่าไม่ใช่ของเราแต่พอมันแก่ก็ไม่ยอมให้มันแก่ผมนี่ดำกันไม่ว่้อายุเท่าไหร่ก็ยังดำอยู่งั้นไม่รู้มันดำได้ยังไงเวลาแต่เวลาเจ็บก็หาหมอหายากันวุ่นวายไปหมดเวลาตายก็วุ่นวายกันเพราะว่าไม่ยอมปล่อยเป็นสัญญาถ้าเป็นปัญญามันปล่อยเวลาแก่ก็ปล่อยให้มันแก่เวลาเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บ เวลาตายก็ปล e. ่อยมันตายคือไม่ทุกข์กับมันข้อสามค่ะฝึกอินทรีย์แก่กล้าต้องปฏิบัติเช่นไรคะก็เนี่ยฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับนะไม่ไม่ปล่อยให้จิตนี่คิดเลื่อยเปื่อยคิดไปตามอารมณ์ควบคุมหยุดความคิดตลอดเวลาแล้วอินทรีย์ก็จะแก่กล้าขึ้นมาจะเริ่มด้วยสติสติแล้วก็จะมี สมาธิมีปัญญาตามมาตามลำดำับคำถามจากคุณปอพอเพียงเวลากระผมนั่งสมาธิจริตผมจะชอบจิตผมจะชอบรู้ลมหายใจเข้าพร้อมกับคำบริกรรมพุทโธลมหายใจออกพร้อมกับแนบคำบริกรรมโทการปฏิบัติอย่างนี้ถ yani ูกต้องไหมครับก็ดียว่าได้ผลหรือเปล่านะถ้าสงบได้ก็ได้ผล ถ้าไม่สงบก็ยังไม่ได้ผลพระพุทธเจ้าสอนให้ดูลมอย่างเดียวไม่ได้สอนให้พุทธโธกับลมหายใจให้แยกอย่างใดอย่างหนึ่งพุทธโธก็พุทธโธอย่างเดียวดูลมก็ดูลมอย่างเดียวเจ้าที่ในตำร า, าแสดงไว้อนาปนาสติไม่มีพุทเข้าโทออกมีแต่รู้ลมเข้ารู้ลมออกถ้าพุทธานุสติก็พุทธโธพุทธโธอย่างเดียวไม่ยุ่งกับลมคําถามจากคุณพีโก ปัญญาบรรลุธรรมคือข้อใดบ้างในมรรคแปก็ข้อที่เห็นทุกอย่างเป็นไตรับเห็นทุกอย่างเห็นเป็นอสุภะเห็นเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นทุกอย่างที่เราหงงเราอยากได้เป็นทุกข์จะอยากมันใดแล้วเห็นว่าทุกข์ก็หยุดความอยากได้มันก็บรรลุธรรมได้บรรลุเป็นขั้นๆไปตามตามขั้นของความอยากความอยากก็มีหลายขั้น ขั้นร่างกายขั้นจิตใจนีมีคาถามจากคุณขันติพงศ์ค่ะภาวนาพุทธโธ ร, ระหว่างพุทธไปโทจะไม่มีอะไรจิตจะต่อเนื่องแต่ช่องว่างระหว่างโทมาพุทธจะมีช่องว่างให้จิตแว บ, บออกไปภายนอกซึ่งพยายามหาวิธีแก้ไขแต่มันจะอาศัยช่องว่างนี้ออกไป ขอเมตตาพระอาจารย์ก็อย่าให้มันมีช่องว่างสิก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยไม่ต้องไปดูลมถ้าดูลมมันก็มีช่องว่างนสิเพราะลมมันกว่าจะเข้ามันจะออกมันก็ยาวนะพุทแล้วก็ลอยให้มันเข้าแล้มันออกก็โทอย่างนี้มันก็มีช่องว่างเยอะสิถ้าไม่อยากมีช่องว่างก็อย่าไปดูลมมาพุทโธอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธเหมือนขับรถเนี่ยถ้าเราขับจี้ตุ๋กันนี้รถขับรถมันแรงเข้ามาไม่ได้หรอใช่ไหม แต่ถ้าเราทิ้งช่องว่างห่าเดี๋ยวมันก็แทรกเข้ามาได้แซงซ้ายแซงขวาแทรกเข้ามาได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าใช้พุทธโธก็อย่าไปดูลมถึงบอกไงถ้าดูลมก็อย่าไปใช้พุทธโธเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าคําทําจาก youtube ค่ะคุณพนัดดาค่ะทําอย่างไรเจ้าคะจะให้จิตเป็นกลางเพราะนั่งสมาธิทีไรรู้ว่าจิตไม่เป็นกลางเลยเจ้าคะ่ะก็ไม่มีสติไงไม่มีสติหยุดมัน ยังไม่หยุดความคิดถ้าหยุดไม่หยุดความคิดความคิดมันก็จะไปทางรักชังโกรลงพอหยุดความคิดปั๊บความรักชังโกรลงมันก็จะหยุดไป <c oughs> คำถามจากคุณวิชยัยการทำวิปัสสนาขั้นปัญญาที่พระอาจา ร, รย์แสดงธรรมคนธรรมดาสามารถทำได้ไหมเจ้าคะหรือว่าส่วนมากผู้ที่ทำได้คือนักบวชเท่านั้นเจ้าคะ่ะก็ถ้าพูดตามตามความเป็นจริงก็ พวกนักบวชก็มีเวลามากกว่าพวกคารวะมันมีภารกิจอย่างอื่นมาคอยดึงเราเวลาไปมันเลยไม่สามารถเจริญได้อย่างต่อเ น, นื่องเขาถึงไปบวชกันไงคนส่วนใหญ่ที่บรรลุธรรมก็เป็นนักบวช 90% นี้อาจจะเป็นนักบวช 10% อาจจะเป็นคารวะผู้ครองเลือนก็ต้องเป็นคารวะแบบพิเศษคือไม่ต้องทำงานไม่ต้องเกี่ยวข้องกับไขมาเขาก็สามารถเจริญปัญญาได้ ถ้าเป็นคฤหัสถแล้วต้องทํางานทําการมันก็ไม่มีเวลาเจริญปัญญาได้อย่างพอเพียงคําถามจากคุณดิศยาอ่านประวัติของพระสุปฏิปันโนท่านออกทุดงกันทั้งนั้นอยากทราบว่าการออกทุดงทําให้ก้าวหน้าเร็วขึ้นไหมคะการออกทุดงจําเป็นต่อการสําเร็จอรหันไหมคะ เราต้องเข้าใจว่าคำออกทุดงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปลุยป่าคนเดียวทุดงนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติพิเศษมีอยู่สิบสามข้อด้วยกันเข้าใจไหมไม่ใช่คิดว่าต้องไปทุดงต้องไ ป, ไปแบกบาต้องไปอยู่ในปา่าลุยอยู่คนเดียวอยู่ที่วัดก็ได้อยู่ที่วัดที่สงบแล้วก็ถือทุดงขวัดต่างๆก็ได้เหมือนกันอยู่ที่วัดก็ไปอยู่ในปา่า ทำแค่อยู่ในป่าไปปฏิบัติไปพักไปนอนอยู่ในป่าก็ได้ในวัดก็มีมีป่าแต่นอกจากการอยู่ป่าแล้วมันมีต้องสิบสองข้อทุตรงควัดไม่ใช่อยู่ที่อยู่ที่การอยู่ป่าเพียงอย่างเดียวถ้าถือการอยู่ป่าอย่างเดียวมันยังไม่พอมันยังต้องถือว่าฉันในบาทถือการบิณฑบาตเป็นวัดฉันมือเดียวแล้วเรื่องเรื่องเรื่องผ้าก็ใช้ผ้าบังสกุล ใช้ผ้าหนึ่งสำหรับไม่ให้มีมากเกินไปทุดงไม่มีไว้กําจัดความโลภมากทั้งนั้นเองค ว, ความจับความจากความโลภความรักความสะดวกความสบายให้มันอยู่แบบยา ก, ยา ก, ยากลําบากปัญญาถึงจะเกิดเข้าใจไหมทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดนถ้าอยู่กับความสุขสบายมันก็ไม่ต้องมาใช้ปัญญาอยากจะกินอะไรก็ได้กินทันทีอยากจะดูอะไรก็ได้ดูทันทีแต่ถ้าไปอยู่ ป่าอยู่ที่มีการบังคับให้กินน้อยๆนอนน้อยๆมันก็ต้องใช้ปัญญาสู้กับกิเลส ท, ที่อยากจะไปหาความสะดวกความสบายก็จะฆ่ากิเลสตัวเหล่านี้ได้คำถามจากคุณนิสยาอีกคาถามค่ะเคยลาออกจากงานเพราะป่วยหนักพอกลับมาหางานใหม่และบอกความจริงว่าที่ลาออกเพราะป่วย บริษัทมังจากปฏิเสธทําให้เราต้องบอกเหตุผลอื่นถึงได้งานไม่อยากโกหกเลยค่ะมีทางออกที่ไม่บาปไหมคะมีก็ดีไงไม่เขาไม่จ้างเราเราจะได้ไปบวชได้แต่มีงานทํามันก็ยังติดกับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นบอกความจริงที่ไหนก็ไม่รับเราก็ดีจะได้โป่งได้ชาตินี้กูไม่ได้งานแน่ๆไปบวช ด, ดีกว่าคทํามฝากถามค่ะ เมื่อต้องทำงานร่วมกับเจ้านายที่ขี้โกงใจมันหมดศรัทธาพอเห็นหน้าก็รู้สึกไม่ชอบจะทำอย่างไรดีเจ้าคะถ้าเปลี่ยนงานไหนได้ก็เปลี่ยนงานถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเอาหูไปนาเอาตาไปได้ไปคําถามจากคุณสุกัยสบายใจพระ อ, อรหรันต์มีคิดนึกถึงหน้าผู้อื่นว่าวันพรุ่งนี้จะทาอะไรกับใครไหมครับหรือว่า มีสติอยู่กับกายตลอดเวลาท่านวางจิตปกติตลอดเวลาไว้อย่างไรบ้างครับออท่านวางยังไงก็ได้ท่านจะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้แล้วแต่ว่าท่านมีเหตุที่จะคิดท่านก็คิดไม่มีเหตุท่านก็ไม่คิดพระพุทธเจ้าทุกเช้ายังเร่งยานดูวันนี้จะไปช่วยใครดีอันนี้จะไปโปรดใครดีอันนี้เป็นเป็นเรื่องของแต่ละคนถ้ามีความ อยากจะบาดจะช่วยเหลือใครก็คิดว่าจะไปช่วยใครดีในวันนี้ถ้าไม่มีความคิดอยากจะช่วยใครก็ไม่คิดอะไรก็อยู่เฉยๆไปบางองค์ท่านช่วยใครไม่ได้ท่านสอนธรรมะไม่ได้ท่านก็เลยไม่ไปคิดจะไปสอนไปเทศใครแต่คนที่เทศเป็นนี้ก็เทศแล้วทำให้คนบรรลุได้ท่านก็อยากจะช่วยท่านก็คิดว่าวันนี้มีใครพร้อมที่จะบรรลุมากเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกเช้าจะเรงยานดูว่าวันนี้จิตใจของใครพร้อมกาลังสุข รอรับธรรมะคำสอนี่ารู้ว่าคนนี้รอรับธรรมะอยู่ท่านก็จะมุ่งไปหาคนนั้นแล้วก็สแสดงธรรมปวดเขาในวันนั้นต่อไปเอน็นป้าหลานจะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้แต่ถ้าไม่ได้คิดด้วยกิเลสก็แล้วกันท่านคิดด้วยเหตุด้วยผลคำถามจากคุณชาตินีค่ะเมื่อเช้าโยมว่ายน้ำจิตสบายเกิดความคิดแวบขึ้นมาว่าเราแต่ละคนถูกกิเลสหลอก ทุกสิ่งไม่มีตัวตนจะโกรธเกลียดกันทําไมศัตรูแท้จริงของทุกคนคือกิเลสในใจที่ต้องกําจัดกันเองความคิดอย่างนี้เป็นแบบสุตตะมยะปัญญาไหมเจ้าคะก็ถ้ายังไม่ไปทําลายกิเลสมันก็เป็นสุตตะมยะปัญญาถ้าเอาไปทําลายกิเลสมันก็เป็นภาวนามยะปัญญ า, าหมดแล้วไม่ใช่สุตตะหล้วบรรจินตะเป็นความคิด ความคิดปัญญาที่เกิดจากความคิดเองนี่เรียกว่าจินตามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุตตามยปัญญาอย่างฟังเทศอยู่เนี่ยเป็นสุตตามายปัญญาแต่ถ้าเราคิดของเราขึ้นมาเองเรียกว่าจินตามยปัญญาเมื่อเป็นจินตาแล้วถ้าอยากจะให้มันเป็นภาวนาก็ต้องไปทำตามที่เราคิดเมื่อรู้แล้วว่าศัตรูที่แท้จริงของพวกเราคืกิเลสตัณหาเราก็ไปฆ่ามันสิฆ่ากิเลสตัณหา ถ้าฆ่าได้ก็เป็นภาวนาไมายปัญญาถ้าฆ่าไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีกำลังยังไม่มีสมาธิพอที่จะไปฆ่ามีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิก็ฆ่าไม่ได้ก็ต้องไปฝึกสมาธิไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบก็จะมีกำลังที่จะมาใช้ปัญญาฆ่ากิเลสตัณหาได้หมดแล้วใช่ไหมคาถามหมดแล้วก็ดีวันนี้จะได้เลิกเร็วหน่อยเหน่อย ก็ขอให้ท่านจงนำบางสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด